ฐานะปารมี สัมปันโนทานะอุปปารมีสัมปันโนทานะปรบัตตปารมีสัมปันโนเมตตามัยตรีการุณายุทิตาุเมฆามารมีสัมปันโน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 สัมปันโนอิติปิโสภะวาเนคัมมะปารามีสัมปันโนเนคัมมะอุ ป, ปปารามีสัมปันโนเนคัมมะ ปารมัตาปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาผูทีตาบูเวคราปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาปัญญาปารมีสัมปันโนปัญญาอุปปาปารมีสัมปันโน ปัญญาปารมิตาปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีการุณามุทิตาบุเบกขาปารมีสัมปันโลอิติปิโสภะควะวิริย p ปารมีสัมปันโน วิริยะอุปารามีสัมปันโนวิริยะปารมาถะปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณา m ุติตาบุหะการามีสัมปันโนอิติปิโสภะคาวันติปารมีสัม ปันโนขันติอุปปาระมีสัมปันโนขันติปะรามัฏปะรามีสัมปันโนเมตตามัตรีกรุณาภุติตาภุเบคารามีสัมปันโนอิติปิโสมะขวะ ปารมีสัมปันโนสัจจะปัปปารามิสัมปันโนสัจจะปรมาธาปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุติตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิบิโส อาติธานาปารามีสัมปันโนอาติธานาอุปปารามีสัมปันโนอาติธานาปรามัทธปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขารามิสัมปันโน มิโสภาควาเมตตาปา rami s a m เมตตาอุปปารมีสั m p a เมตตามาตปา rami s a m p นเมตตาไมตรีกลปาภูทิอุเบกขาา r a สัมปันโนอิติปิโสภควาเบคาปารมีสัมปันโนอุเบคาอุปปารามีสัมปันโนอุเบคาปรมัทธาปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณหูติตาอุเบ ปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควะทัดสัมปารมสัมปันโนทัดสคขปปารมิสัมปันโนทสปารมัทธปารมสัมปันโน เมตตาไิตรีการุณามุทิตารูปข้าพารามิสัมปันโนอิติปิโสภคะวาพุทธังสารนังนักชา